เชียงใหม่ไปไประชุมงานที่จะเดินทางขึ้นไยอินทนนท์ประชุมงานต่างๆสำรวจเส้นทางทางไหนมันจะไกลที่สุดตัว เ, เอาอย่างงั้นอ่ะบอกเขาบอกว่ า, วาชุดนี้ชุด สินซีมีปีกต้องเอาให้ไกลหน่อย <c oughs> ไหวหรือไม่ไหวก็รู้กันวันแรกของไม่ไม่เอาเท่าไหร่เอาแค่เบา <c oughs> สองสาลูกพอวันที่สองก็คองได้รูดำรูแดงกัน <c oughs> แต่ว่ากรมอุตุเนี่ยมาขู่เราอะ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะลบสองที <c oughs> ่จริงแล้วหลวงพ่อข้าไปจริงๆงก็สั่งดินฟ้าอากาศบอกว่าลบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวันแรกๆเนี่ย ก็ต้องลองด้วยหน่อยว่าจะเอาให้หนาวหน่อยวันหลังๆมาก็ผ่านลงคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ไปที่นิวยอร์กโดนฝนฝนที่นิวยอร์กมันก็ดุทำท่าจะเป็นหวัดขึ้นมา <c oughs> แต่ว่าต่อสู้ ก็ไม่เป็นไรไปออสเตรเรียนั่นไปต็ตาฝนอีกแล้วหวัดมันก็จะมาก็ดูก็พอสู้ไหวแต่ยังไงก็ตาม เ, เรามีพลังใจเป็นหวัดก็ต้องสู้หวัดมันก็คงจะต้องแพ้เราไปจนได้ <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องการเรียนรูสมาธิเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนไม่เหมือนกันกันกบที่ว่ามานั่งสมาธิแล้วก็แล้วไปมานั่งสมาธิแล้วก็แล้วไปเนี่ยยังไงก็ได้ ล้วไม่ต้องมีพิธออีไม่ต้องมีอะไรอยากจะนั่งก็มาถึงก็ น, นั่งสบายแล้วก็กลับโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นกันมาโดยตลอด <c oughs> แม้จะมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีความสามารถสูงเช่น หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่เว้นหลวงปู่ิลมาไรก็ว่ากันไปก็เช่นเดียวกันเคยไปสมาธิกับท่านแล้วถามว่าเป็นยังไงสบายและสบายแล้วสอนฉันมั่งได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า พอเวลาไปนั่งและท่างกระเทศให้ฟังเทศให้ฟังจบแล้วก็กลับมาจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยไม่รู้จะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดศัพทยาพสสำหรับผู้ที่จะศึกษาครูสมาธิจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดับชั้นไปการลำดับ การระดับชั้นที่แนะนำไปนั้นเราอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่องเอาไว้เพื่อที่จะได้แก้ไขให้กับบุคคลที่เขาทำสมาธิเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแม้เราจะจิตไม่ได้สูง เหมือนกับบางคนที่เขาทำแต่เขาทำอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นก็ได้เรายกตัวอย่างเช่นคนที่เขามีฐานะมียอดมีอะไรสูงๆจะเป็นอะไรก็ตามเราไม่เอ่ยละ่ะ <c oughs> เขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้น เขาก็หาดมีการผิดพลาดอะไรต่ออะไรได้เยอะๆเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการบางทีก็คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยต้องไปแนะนำคนที่มีความรู้ท่านสูงๆยกตัว อ, อย่างเช่นคนโบราณคนหนึ่งเขาสารคือหมายความว่า ยุ่งข้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เอไม้ไผ่สารเอาสารแล้วก็เป็นวงอ้อมอย่างเงี้ยเดินสารสารสารสาสาสาสสสาสาไปพอสารไปเสร็จแล้วนี่ออกไม่ได้มันขังตัวเองสารไปสารสูงเข้าสูงเข้าก็ออกไม่ได้ทีนี้มันออกไม่ได้อะเพราะอะไรจึงออกไม่ได้ก็เพราะว่าไปสารไม้ไผ่รอบตัวเองหมดแล้ว ก็ออกไม่ได้ทีนี้เขาก็เรียกให้เด็กๆมันมาช่วยเฮ้ยมึงว่ากูจะออกยังไงวะนั่นถ้าถามว่าเราออกไม่ได้ก็กลัวจะเสียเกียรติก็ถามเด็กเฮ้ยมึงว่ากูจะออกครังไหนอ้าวจะยากอะไรก็ยกขึ้นมาก็ออกได้คือไม่ไฝ่มันเบาอ่าก็ยกออกมาก็รอดออกมาได้จริงๆแล้วแค่นั้นมันก็ ไปคิดเอาเองก็ได้อ่ะแต่ว่ามันเข้าตาจนทีนี้จะไปถามว่าเอ่อเฮ้ยกูออกไม่ได้เพราะว่ากูจนปัญญาอย่างเงี้ยมันก็เสียเกียรติผู้ใหญ่แกเลยถามเด็กบอกว่ามึงว่ากูจะออกทางไหนเด็กก็บอกว่ายกขึ้นก็ออกได้ก็ยกขึ้นมันก็ออกได้จริงๆด้วยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในหลักวิชาการต่างๆที่เราศึกษา ไปเนี่ยล้วนแต่เป็นหลักวิชาการที่มีความสำคัญทั้งสิน้นคนอื่นๆก็าอาจจะไม่รู้เขาอาจจะมาถามเราแบบเดียวกันง่ายคนต่อถามคนเด็กอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยมันว่าคูจะออกครั้งไหนอบอกว่าก็ยกขึ้นมันก็ออกอะ่ะเหมือนกัเขาจะถามว่าการนั่งสมาธินี่เขาทำกันยังไงนะ เราก็บอกได้แต่แท้จริงคนนั้นเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆเมื่อไม่รู้เราก็มีโอกาสบอกได้เพราะว่าเรารู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ว่า <c oughs> เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง <c oughs> <c oughs> อาการของฌานอย่างเนี้ยอย่างอาการของฌานเนี่ยลักษณะอาการของฌานนั้น มันง่ายนิดเดียวแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องฌานแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดไปถึงตาเลสีบ้างอาจจะไปถึงพระผู้ปฏิบัติผู้แก่กล้าบ้างจึงจะเป็นฌานมันไม่ใช่ เ, เพราะว่าฌานเนี่ยอาการของฌานเนี่ย เ, เริ่มด้วยความสุขเอืบอิ่มความสุขเอืบอิ่มเนี่ย จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อเราทำสมาธิแม้ขั้นตน้นบางทีเรานั่งทีเดียวเท่านั้นนะพอมาแต่ก่อนไม่เคยเลยพอมานั่งทับเนี่ยมกันเลยสบายเลยนั่นก็สือฌานอันนน er im, อ่นนั้นความเอิบอิ่มอันเนี้ยมันจะมีลึกมีตื้นเช่นจะลึกจะตื้นแม้จะมากจะน้อยอาการเหล่านี้คือฌานเราเปรียบเทียบเหมือนกันกับเงิน แม่หนึ่งสตังก็คือเงินหนึ่งบาทก็คือเงินร้อยบาทก็คือเงินพันบาทก็คือเงินร้อยล้านบาทก็คือเงินพันล้านบาทก็คือเงินมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราได้มาหนึ่งสตังก็เป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เป็นเงินคือเงินลักษณะเดียวกันชั้นก็เหมือนกันเมื่อเกิด ความสบายเกิดขึ้นก็เป็นฌานอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกลับดังนั้นจึงอยู่ที่ผู้กระทาและความต้องการของผู้กระทาความสามารถของผู้กระทำอย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลได้ลิมรสของฌานเขาก็จะมีความพยายามต่อไปด้วยกตทางของเขาเองในที่นี้ประสงค์จะให้ทราบอาการของฌานเท่านั้น ส่วนการจะทำได้แค่ไหนเพียงไรจะต้องอยู่กับนักศึกษาจะทราบด้วยตนเองเมื่อแนะนำตนโดยที่เราเหล่านักศึกษาครูสมาธิเข้าใจข้อแท้จริงแล้วชื่อว่ารู้ความจริงอันเป็นหลักการข้อหนึ่งของการศึกษาถึงเรื่องฌานอย่างนี้ดังนั้นข้อนี้เพื่อแก้ไขความสนเทจสงสัยในเรื่องของฌาน จึงแสดงเอาไว้และเชื่อในขั้นต้นว่าการทำฌานให้เกิดขึ้นนั้นไม่ยากและไม่ใช่สิ่งลึกลับและซ่อนเล่นแต่อย่างใดถ้าจะเปิดเผยให้ทราบถึงความเป็นฌานนั้นเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเราทำได้ไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะเป็นใครเนื่องจากหลายหลายคนเข้าใจผิดมาก่อนว่า ฌานนั้นต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้สูงส่งหรือเฉพาะฤาษีชีพไรหรือราชสงฆ์ผู้คงแต่การปฏิบัติเท่านั้นจึงจะได้ฌานไม่ใช่เทราะะฉนั้นต่อไปคือความพร้อมในการที่จะกระทำโดยการต่อเนื่องเพื่อจำลองไว้ซึ่งฌานดูจะบุคคลผู้สร้างฐา น, นะของตนขึ้นมาได้แล้วจําเป็นต้องรักษาฐา น, นะของเราเอาไว้ ช่วยลูกช่วยหลานโดยความต่อเนื่องก็จะเกิดฐานะดีตลอดไปชั่วการนานเช่นเดียวกับฌานที่จะต้องรักษาฐานะเอาไว้ด้วยความต่อเนื่องฌานก็ยังเป็นฌานตลอดไปเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็คงจะได้ยินคำพังเผยว่าปริยาสอชาติมณียาสอสกุล กิยาของฌานก็เช่นกันลักษณะที่เกิดกับฌานเป็นเครื่องสอสแสดงให้เห็นว่าลักษณะนี้คือฌานอาการเหล่านี้ที่แสดงออกมานั้นถ้าเราจะศึกษาเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทราบอาการต่างๆของฌานเราจะได้ประโยชน์อะไรในการศึกษาอาการนี้ย่อมมีความสําคัญส่วนหนึ่ง เมื่อเราทราบอาการแล้วเราก็จะได้รู้ลู่ทางการแก้ไขเช่นกาบรู้อาการของโรคเราก็แก้โรคภัยนั้นได้หรืออาการของรถที่เรากำลังวิ่งขับไปตามทางหูของเราก็สังเกตการตามไปด้วยเมื่อใดรถแสดงอาการออกมาเช่นเสียงดังผิดปกติก็จะต้องเกิดพรุธเราต้องหยุดรถ ถ้าขืนวิ่งไปเครื่องก็พังไปเลยดังนั้นการสำรวจตรวจตราซึ่งอาการจึงถือว่าสำคัญอาการของชาญที่เราจะได้ทราบโดยวางหลักไว้เจ็ดประการประการที่หนึ่งคือความเข้มข้นประการที่สองคือความลึกประการที่สามคือจุดพลังอำนาจอาการที่สี่คือกระแสะ อาการที่ห้าคือจุดเสื่อมอาการที่หกคือความข่อยคว้าอาการที่เจ็ดคือความขาดทะเนอาการที่แปดคือการแก้ไขที่แสดงไม่แปดอาการเนี่ยแสดงตามลักษณะที่เราทําสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือฌานข้อที่หนึ่งความเข้มข้นของฌานนั้น เราจะทราบได้จากระดับจิตที่เกิดขึ้นเราลองสังเกตขณะที่เราพบกับความสุขที่บังเกิดขึ้นแต่ละครั้งแสดงอาการให้ทราบว่ามีมากน้อยเท่าไหร่เช่นได้บ้านมาหลังหนึ่งความสุขย่อมเกิดขึ้นนานมากแต่ถ้าเราได้เงินเดือนมาสนใจความสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ย่อมมีความแตกต่างกัน หรือว่ามาถึงขั้นตอนนี้ต้องทราบอีกว่าพอเข้าฌานอยู่ ด, ดีมีความสุขสบายดีฌานคือความสุขสบายนี้จะเริ่มมีอาการเสื่อมจากความสุขสบายอันก่อนๆ น, นั้นซึ่งจะมีอาการสุดลงจนหมดหมายความว่าฌานได้เสื่อมแล้วคราวนี้กว่าจะเริ่มทำให้เกิดความสุขสบายที่ฌานดังเก่า ต้องใช้เวลาอีกนานนี่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของชานตื้นเหมือนกับการเกิดความจํารัดของบ้านเพราะช่างทําไม่ถูกสเปคหลังคาเริ่มรั่วประตูหน้าต่างหลุดลองแตกส ล, ลายคอนคิตแตกแล้วเพราะสุดความสุขสบายก็หายไปเช่นเดียวกันแบบเดียวกันก็เราได้บ้านมาอยู่ดีดีนี่ยมันก็เกิดสุดลงมาสักครึ่งหลัง หรือมันเกิดแตกเล่าอะไรขึ้นมาทีนี้เราว่าถึงฌานในข้อที่เรียกว่าความเข้มข้นความเข้มข้นเนี้ยเราจะรู้ได้จากเออเวลาที่เรานั่งสมาธิไปแล้วเนี้ยความสบายเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในระยะที่อสมาธิได้ที่พอได้ที่แล้วมันจะเกิดพอเกิดภาพอย่างเงี้ยไอการเกิดนั้นมันก็หายไป แต่ทีหลังมาเราทำมันก็เกิดใหม่อีกแล้วในที่สุดมันก็หายไปอย่างนี้ <c oughs> แต่ทีนี้อา ก, การหายไปของฌานเนี่ยมันหายไปไม่หมดมันยังเหลือเชื่ออยู่อย่างที่ได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ก่อนๆนั่นนะ่ะไอ้เชื่ออันนี้แหละที่มันจะเกิดไอ้ความเข้มข้นขึ้นคือมันหายไปจริงแต่เชื่อที่มันยังเหลืออยู่ก็เรีย ก, กว่าเชื่อของฌานเนี่ย มันจะกลายเป็นสิ่งที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับทีนี้ถ้าไอความเข้มข้นที่เชื้อที่มีเหลืออยู่ที่นั้นอ่ะมันรอการจุดมันรอการจุดของเราที่ว่าจะจุดเชื้อนั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางคนอย่างเนี้ยพอนั่งสมาธิไปมันเร็วอะทาไมถึงเร็วเพราะเชื้อมันยังเชื้อตรงนั้นมันเข้มข้นขึ้น แต่เชื่อตอนนั้นมันไม่ค่อยจะเข้มข้นมันเบาบางมันก็จุดไม่ค่อยได้หรือว่ากว่าจะจุดมันก็ไม่ค่อยติดหรือว่าติดมันก็เกิดขึ้นนิดหนึ่งอันนี้เป็นต้นอันนี้คือการอธิบายในข้อนี้ที่ว่า <c oughs> อาการอีกอย่างหนึ่งคือความมักง่ายจะแสดงอาการอของฌานขึ้นกับผู้ทําฌานหมายความถึงขณะกระแสได้ถูกใช้อย่างเห็นผลทันตา จะกี่ครั้งก็ตามจากนั้นมาการดาเนินก็จะแบบรวงรวงเพราะกำหนดจิตก็เพ่งไปจุดที่หมายที่ตั้งจิตยังไม่เป็นฌานเข้าระดับไม่เป็นเช่นนั้นผลทันตาเห็นแบบเดิมจะไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าจะมีอาการหนึ่งที่ต้องระวังคือความเลื่อนลางแต่เขาเองก็ใช้การเดาหรือคาชัเนนเอาว่ายังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เนี่ยพอมันเป็นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคิดจะรักษารอบไข่สั ก, สก ค, สคนหนึ่งหรือว่าคิดอยากจะสร้างเมตตาฌานขึ้นมาแอดสักแอดครั้งหนึ่งเราก็ใช้ทีนี้พอเราพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยเอ่อเกื้อการจากนั้นมาเอพอเราใช้ไปครั้งหนึ่งในครั้งแรกเนี่ยอาจจะเสดผลขึ้นพอเสดผลขึ้นมาแล้วไอ้เชื่อความเข้มข้นอของฌานนั้นน่ะ มันลดระดับพอารดระดับแล้วทีหลังมาจุดมันก็ไม่ติดเพราะจุดไม่ติดทีนี้เราก็คิดเอาว่าอย่างเนี้ยมันเป็นชานอันนี้คืออันตรายอันนี้ที่แนะไว้เนี่ยออพอเวลาเราทำไม่ได้เท่าไหร่อย่างเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่พอเวลาไปทำเข้ามันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ทีนี้พอทำแล้วเนี้ยไอ้ชานเนี่ยมันไอ้ความเข้มข้นมันน้อยมันก็เลยสลายตัว พอสลายตัวไปแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้อย่างเก่าอีกพอทําไม่ได้อย่างเก่าทีนี้เราก็ไปคิดเอ า, อาไปคิดเอาเหมือนเก่าอันนี้น้ากลายเป็นความคิดมันไม่ใช่ชานอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาการที่คงเส้นคงวาของชานนั้นคือความมั่นคงดังนี้อาจจะเปรียบเทียบกับอาคารที่มั่นคงไม่จํารุดเพราะได้ทําถูกต้องตามสเปค ข, ของวิศวกร เหมือนเราได้บ้านหลังนี้มาความสุขสบายก็ต่อเนื่องไปได้นานเหมือน ก, นกันกับชานที่มีรากฐานมั่นคงไม่งอนแง่งทีนี้อันนี้ก็จะอธิบายได้ว่าไอการที่เราทำเนี่ยความสุขคือเราทำความสุขที่เกิดขึ้นที่เป็นชานเนี่ยมันจะไปรวบรวมอยู่ที่ความเข้มขน้นถึงยังไงก็ตามอย่างที่ว่าเราทำเสร็จแล้วก็หายไปเหมือนเราไม่มีอย่างเงี้ย แต่ว่าเชื้อของชานนั่นน่ะมันมีอยู่และเชื้อของชานนั้นนี้มันจะเกิดความเข้มข้นขึ้นในเมื่อเราทำชาญได้หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเข้าอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เมื่อหลายครั้งเข้าเนี่ยรากชาญจะมั่นคงด้วยเหตุอย่างนั้นหลวงพ่อถึงบอกแอดแก่คนทั่วไปว่าลองก็ได้ รักษาแต่ว่าฐานมันเสียเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องสร้างฐาน น, นั่นเนี่ยให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นดังนั้ น, น, นขณะที่ฌานได้ระยะที่เคลื่อนที่เข้าสู่ความสงบสุขจึงเข้มข้นจนเป็นคุณภาพของฌานที่แท้จริงอาการของฌานก็จะแสดงความเข้มข้นด้วยคุณภาพอย่างสูงเมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นความศรัทธาก็สูงเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว จะทำยังไงจะรักษายัางไงจะทำยังไงไม่เป็นไรเพราะว่าสร้างรากฐานไดอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรา เ, เรียนสมาธิไปแล้วขั้นนี้แล้วพอไปขั้นสูงหลวงพ่อก็จะพาไปทีละห้าคนสิบคนแล้วทีนี้ไปติวเข้มเหมือนกัเขาเจะเข้าสอบเห็นท่านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สวเข้มไปสีเข้มให้ไปถึงเวลานั้น ทีนี้มาถึงข้อที่สองความลึกจุดนี้อยู่ที่ความเป็นมีอะไรที่ไหนเช่นจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นจากชานลึกนั้นหมายความว่าต้องทาให้เกิดขึ้นจึงจะลึกลงได้ถ้าเป็นตามธรรมชาติก็คงลึกไม่ได้ถ้าทำให้ลึกก็หมายเป็นการขุดบอ่อขุดสะเจาะเสาเข็มเพราะความลึกเหล่านี้ต้องสร้างขึ้น ธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าการที่เราจะทำให้ลึกจะทําบาให้ใหญ่หรือจะทำสระอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นเหมือนกับชานอย่างเงี้ยเราต้องสร้างขึ้นแต่ชานธรรมชาติเนี่ยจะไม่ลึกจะอยู่ตามปกติทำอะไรก็เป็นไปตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อ เราสร้างชานนี้ขึ้นมาเนี่ยเ้าถือว่าเป็นการสร้างสร้างขึ้นแบบเราเจาะขุดบ่อขุดสะเจาะเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยสร้างตึกสูงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้อย่างธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างแผ่นดินอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นไม่มีเสาเข็มเราลองสร้างตึกสักห้าชั้นสิบชั้นมันก็ยุบลงไปจ่อยมันยุบลงไปจ่อยไม่มีเหลือเพราะอะไรเพราะว่ามัน เป็นชานธรรมชาติมันรับน้ําหนักไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคํำที่ว่าลึกในที่นี้จึงหมายเอาว่าจะเกิดขึ้น <c oughs> ส่วนมากจะเกิดให้ประโยชน์แก่มนุษย์เป็นส่วนน้อยสําหรับธรรมชาตินะ <c oughs> ก็ข้ามไปเลยว่าด้วยเหตุนี้การสร้างชานลึกขึ้นมาจะเป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะความสุขความสบายในใจ รับความพิสดารต่างๆก็ชานทําได้เนื่องจากการสร้างขึ้นด้วยความสามารถแห่งการกระทําที่จิตใจมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นจากธรรมชาติคือหมายความว่าไอ้ชานเนี่ยจะสร้างให้ลึดลงไปมันสร้างขึ้นมาได้แต่ว่าธรรมชาติของชานที่อธิบายเมื่อวานนี้เขาเรียวกว่าชานธรรมชาติอย่างเนี้ยจะทําให้มันลึกไปไม่ได้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอแต่ถ้าหากเป็นชานที่สร้างขึ้นเนี่ย ทำให้เลึกเท่าไหร่ก็ได้จนกระทั่งถึงรูปประชนันอรูปประชานอะไรก็สุดแล้วแต่อย่างนี้เป็นตน้นต้องจำเอาไว้นะที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังอย่างเงี้ย อ, อถ้าจําไม่ได้เวลาเนี้ยเขาก็เทปเอาไว้เก็บเทปอันี้ไว้เพื่อที่จะฟังว่าให้เวลาที่อธิบายว่าฌานลึกเนี่ยมันจะเข้าไปยังไงเลึกลงไปได้ยังไงถ้าหากว่าปล่อยไปตามธรรมชาติจะมีสิ่งหนึ่งคอยทำํำลายในตัวของมันเช่น อ, อมีไม้ก็มีมอด นีเหล็กก็มีสนิมอย่างนี้เป็นตน้นส่วนการสร้างขึ้นจะเป็นสร้างการสร้างโดยความรู้และมีการป้องกันเช่นเดียวกันกันกบฐานที่สร้างขึ้นมีแนวทางป้องกันความเสื่อมไปในตัวเพราะว่าเกิดขึ้นจากประสบการที่ได้รับเป็นบทเรียนแต่บางคนแม้จะมีบทเรียนก็อาศัยความสเบเซาหรือมักหน่ายหรือการเห็นแต่ได้จึงเป็นทางเสียหายของฐานอันนีออ้อย่างที่มีไม้ก็มีมอด อนี่ธรรมชาตินี่แหลกก็มีสนิมเพราะนี่ก็คือธรรมชาติอย่างเช่นนี่อย่างที่ว่ามีชานอย่างเนี้ยเมื่อมีชานขึ้นมาอย่างเนี้ยในที่สุดมันก็มีเครื่องทําลายชานเช่นอย่างว่ามีสมาธิจะมีเครื่องทำลายสมาธิ้มันไปในตัวแต่เวลาที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็หาสิ่งป้องกันไม่ให้มันเลยเกิดการเสื่อมหายทำรุนขึ้นโดยเร็วอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> การฝึกสมาธิยิ่จงจาเป็นต้องมีกรรมวิธีในทางเห็นความรอบครอบที่จริงแล้วอาการของฌานคือความสุขสบายความสุขสบายวัดลักรตามกําลังที่ได้ผันตัวของฌานไปตามขั้นตอนแห่งความลึกขึ้นไปตามลำดับอันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามมาถึงจุดสําคัญคือจุดพลังอํานาจในฌานเหล่าเนี้มันจะต้องเข้ามาสัมผันสกับจุดพลังอำนาจหรืพลังนานจ ตรงจุดนี้แม้จะอธิบายมาแล้วในบางตอนก็คงจะยังไม่หมดเปลือกจําเป็นต้องอธิบายย้ําลงอีกเพื่อให้แจ้งขาวขึ้นเพราะว่าจุดตรงนี้จะแสดงอาการทั้งหลายออกมาเป็นระยะระยะอาการที่ชัดเจนด้วยหน่วยกระแสถ้าหน่วยกระแสที่เกิดความแกนแสดงถึงความกดดันที่กระจายออกมาและพุ่งตรงไปยังที่ต้องการได้นั่นคืออาการแห่งชาติการลําเลียงออกนั้นมีส่วนประสานงานแบบ หมายความว่าไอ้คำใช้ว่าลําเลียงออกคือเวลาที่กระแสจิตพอเวลากระแสจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูมีรูจารูหลักหรือว่าเป็นหลักการหมายความถึงว่าเป็นหลักการไอ้คำใช้ว่าเป็นหลักการนั่นคือเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิไปแล้วมันก็อยู่ที่จุดพลังอํานาจ่ะแต่ทีนี้เราไม่สามารถจะจับจุดพลังอํานาจนั่น ให้เป็นที่ยึดมั่นได้ทีนี้มาเป็นเช่นนั้นอการลำเลียงออกหมายถึงว่าพอเวลาที่จิตมันสองอบคนไอท่านกระดอนเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าลำเลียงออกรับน้าหนักไม่ได้รับแ น, นกไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารับน้าหนักได้ใครจะจำก็ได้ใครจะไอ้ก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้แต่ชันนิ่งหรือว่าเข้ามาก็ามาไม่ถึง น, นี่คือจุดพลังนะ เข้าไม่ได้เราเห็นอยู่ว่าเรามันมาแต่มันมาถึงแค่นี้แต่มันจะเข้ามานี้ไม่ได้นี่คือลักษณะที่จะบ่งบอกว่าคือจุดพลังอํานาจแต่ว่าถ้าเรายังจับไม่ได้ก็คือให้รู้จักอาการก่อนอย่างนี้เป็นตน้นถ้าพลังอํานาจกําลังไม่พอจะเราเลียงความละเอียดนี้สู่ที่หมายไม่ได้ทีนี้พอเ อ, อเมื่อ กำลังจุดพลังอานาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่ว่ามันไม่ยังไม่พออย่างเนี้นะฮะเวลาลําเลียงออกเช่นอย่างออกไปสู่จุดที่หมายมันไปไม่รอดถ้าอะไรไปไม่รอดกําลังมันไม่พอไปได้หน่อยแล้วกระจางเขา้าจางเขา่าจางเขา้าหาไปเลยอแต่ทีนี้ถ้าหากว่ากําลังมันพอเนี่ยมันจะไปเป็นสายไปเลยอย่างเนี้ย อันนี้คือลักษณะของจุดพลังอํานาจอย่างนี้ <c oughs> อธิบายเช่นนี้เพราะต้องการจะให้ผู้ประสงค์ชานจะต้องใช้ลักษณะอาการให้ชัดเจนแต่ว่าการเป็นเช่นนี้เป็นนามธรรมการจะกําหนดนี้เอจึงกําหนดโดยนามธรรมดังนั้นอธิบายนามธรรมจึงต้องอาศัยสัญญาสัญญาปรากฏความหมาย สัญญาที่หมายแห่งพลังอำนาจนี้จำเป็นต้องใช้แต่ใช้เพื่อที่ขยายฐานแห่งฌานไปสู่จุดที่หมายแต่เมื่อถึงที่สุดแห่งที่สุดก็ต้องทิ้งสัญญาเพราะถ้าอยู่ในสัญญาก็ไม่ละเอียดถึงที่สุดเปรียบเหมือนเราอาศัยเรือข้ามน้าเมื่อถึงฝั่งแล้วต้องสละเรือขึ้นฝั่งจึงจะถึงที่หมายถ้าเราไม่สละเรือ เราก็ต้องอยู่ในเรือเราก็ไปที่หมายไม่ได้ดังนั้นสัญญาจึงเปรียบเหมือนเรือจิตระดับฌานจึงเปรียบเหมือนบุคคลโดยสารเรือเมื่ออธิบายเจาะลึกมาลงถึงขนาดนี้แล้วพอจะเข้าใจถึงจุดพลังอำนาจที่จะแสดงอาการของการลำเลียงสิ่งที่ใหญ่มากหนักมากแต่เมื่อพลังอำนาจมีกำลังเหนือกว่าสิ่งที่ว่าใหญ่มากหนักมาก ก็เป็นของเบาขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะกําหนดเนี่ยเช่นอย่างเราจะกําหนดเพ่งออกไปอย่างเนี้ยเราต้องใช้สัญญากําหนดคือต้องใช้เช่นอย่างว่าเราจะกําหนดสีเขียวอย่างเนี้ยหรือว่าเราจะกําหนดสีแดงอย่างเนี้ยอันนี้คือสัญญา ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือสัญญานี่ข้อเปรียบเทียบข้อหนึ่งนะยังมีอีกหลายข้อคือว่าไอ้สัญญาเนี่ยต้องเป็นสัญญาแต่ว่าสัญญาต้องเข้าใจว่าเป็นสัญญาสัญญาต้องเข้าใจว่าสัญญาคือเรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผู้ที่จะข้ามไปอ่าไม่ใช่ตัวผู้ที่จะข้ามไปตัวผู้ที่จะข้ามไปนั่นน่ะเออคือ ตัวเอ่อตัวพลังจิตแต่ทีนี้ไอ้ที่สัญญาณที่เราใช้คําว่าสีเขียวสัญญาณที่เราใช้คําว่าสีแดงเนี่ยคือสัญญาสัญญาคือเรือเรือก็คือที่จะพาเราไปแต่ทานี้ถ้าไม่มีไม่มีสัญญาอันนี้เราก็ข้ามฝั่งไม่ได้อแต่ถ้าเราข้ามฝั่งได้แล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่เรือหรือไม่ได้อยู่ที่เรือเราก็ ตกลงก็ไม่ได้ถึงโรงพยาบาลศิริราชข้ามเรือเดชธาพจัน์อ่าถ้าข้ามเรือเรือข้าพระจัน์เราจะไปโรงพยาบาลสิริราชใช่ไหมใช่แต่ทําไมเราไปนั่งอยู่ในเรือเล่าก็เมื่อไปนั่งอยู่ในเรือก็ไม่ต้องถึงโรงพยาบาลสิริราชสัญญาคือสัญญาสีเขียวคือสัญญาสีแดงคือสัญญาแต่ว่าสัญญานั้นเป็นผู้นําไปอีกทีหนึ่ง อันนี้อธิบายจุดพลังอำนาจในอาการหนึ่งในห ล, หลายสิบหลายร้อยอาการอาการหนึ่งจะแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นผู้ที่บังคับให้มีสีเขียวผู้ที่บังคับให้มีสีแดงตัวผู้บังคับนั่นนะ่ะคือตัวจริงเพราะฉะนั้นสีเขียวสีแดงจึงเป็นสัญญาที่จะ นำไปเท่านั้นเหมือนกับเรือแต่นี้ถ้าหากว่าไปคิดว่าสัญญาเป็นตัวจริงเราก็เราก็ต้องอยู่ในเรือเราไม่ออกจากเรือไปอย่างนี้โคจรนีควสับสนกันเยอะนะเลยเรื่องอาการของฌานมันก็ไม่รู้ทำยังไงล่ะอธิบายไม่หมดต้องยกยอดแลนะ้วเนี่ย เพราะว่ามันเรื่องสำคัญก็ต้องต้องยกยอดหรือเอากันให้หมดเอาหมดมันก็ไม่ต้องถามต้องตอบแล้ว <c oughs> เอาไงดีนะ <c oughs> <c oughs> เอาหมดเหรอ <c oughs> เอาหมดก็เอา <c oughs> ทีนี้ยังต่อไปอีกคือข้อที่สี่ที่อธิบายมานี่นะ ทั้งข้อที่หนึ่งี่ทบทวนให้นิดหนึ่งว่าความเข้มข้นความเข้มข้อนอันนี้ความเข้มข้นคือเชือ้อเชื้อของชานที่เราทำไปแล้วที่มันไม่สลายตัวแต่กิริยาของชานนี่มันจะสลายตัวไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้ให้จาตรงนี้ไว้ด้วยทีนี้มาถึงข้อที่สองเนี่ยคือความลึกเนี่ยความลึกนี่ไม่เกิดขึ้นกับชานธรรมชาติ อันนี้ต้องจำไว้ข้อหนึ่งว่าความลึกจะไม่เกิดจากาธรรมชาติจะเกิดเฉพาะชาญนที่สร้างขึ้นเท่านั้นอันนี้ต้องต้องกาหนดตายแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ตายตัวแล้วทีนี้พอมา ถ, ถึงจุดพลังอำนาจจุดพลังอำนาจนี่คื อ, เ, อเราจะต้องรู้คำว่า สิ่งที่จะลำเลียงลำเลียงออกออกจากจิตออกจากใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าลำเลียงออกลำเลียงออกคือกระแสะถึงจะได้อธิบายเป็นการต่อเนื่องคือว่าการลำเลียงออกนี่คือกระแสะกระแสะนี่คือกระแสะต้านเช่นอย่างอารมณ์เข้ามาอย่างเงี้ยมันจะประทะกระแสะเนี่ยเข้ามาไม่ถึงใจเรากระทะนี่ก่อนแล้วถอยออกไป เด็นนี้เวลาที่เราจะลำเลียงกระแสจิตนี้ออกไปนี่จะลำเลียงออกไปได้อย่างสบายอนี้การลำเลียงออกไปนั่นเราต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้สัญญาต้องใช้สัญญาต้องใช้สัญญาที่คิดว่าที่มันลำเลียงออกไปเนี่มันมันเป็นสัญญาอันนี้มันจะพูดว่ารักษาโรค เช่นอย่างสีเขียวสีแดงอย่างเงี้ยเจียวัยรักษาโรคอย่างเงี้ยอันนี้คือสัญญาสัญญาก็คือเราจะต้องเพ่งให้มันเป็นสีเขียวออกมาให้ได้เพ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้เขียวบางทีเขียวห่อนเกินไปก็ไม่ได้อีกอมันต้องเขียวแคบขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยมันถึงจะเรีย ก, กว่าเข้มขน้นและวทีนี้ไอ้สีเขียวเนี่ยมันเท่ากันกันกบ เรือเปรียบก็เหมือนกันกันกบเรืออย่างเนี้ยอเมื่อเป็นเรือแล้วเราก็ต้องเพียรใช้พอเวลาถึงคราวจะต้องให้สําเร็จอยู่ที่ใจอย่างนี้เป็นต้นอเป็นต้นว่าอย่างที่เราเพ่งเข้าไปนี่ยอคนนี้เขาเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นสีเขียวก็จะไปทั่วตัวของคนนั้นแหละเะว่างั้นเถอะสีเขียวเนี่ย แต่ว่าสีเขียวนั้นน่ะมันมีเอตัวผู้บังคับสีเขียวก็คื อ, อคือตัวจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นอสีเขียวมันคือเอทางที่จะทําให้จิตเนี่ยดําเนินเข้าไปสู่โรคมะเร็งตรงนั้นนะว่างี้ยนะครัอ่าแล้วทีนี้จิตนี่แหละที่จะเข้าไปอแคะใครหรือว่าทําอะไรต่างๆให้มัน เรียกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็จิตนี่เป็นผู้ไปทำลายอีกทีหนึ่งอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นอ่ะต่อไปก็คือกระแสะข้อที่สี่หมายความว่าเป็นกิริยาแห่งกิริยาอาการชนิดความพร้อมเช่นการกระจายออกของความเย็นหรือความสุขความเย็นนั้น ถ้าหากเป็นธรรมดาจะอยู่ในวงแคบความสุขก็เช่นกันจะอยู่ในวงจำกัดเมื่อเป็นฌานแล้วทั้งความเย็นและความสุขจะมีการขยายวงให้กว้างขวางออกไปตัวอย่างเช่นผู้มีกระแสฌานจะทำให้ผู้อยู่ในรัศมีหรือผู้เข้าใกล้นั่งใกล้จะมีความสบายมีความสุขมีความ เ, เย็นใจด้วยอำนาจของกระแสฌาน ต่อไปจะขยายเป็นพลังอํานาจอันเกิดจากกระแสนี้ดังนั้นหากกระแสชานยังอ่อนขยายได้ไม่มากหากกระแสกล้าแข็งอาจสามารถจะขยายได้มากยิ่งขึ้นเมื่อกระแสเข้าถึงขั้นขยายเป็นพลังอํานาจอันนี้ก็สุดแล้วแต่พลังจิตอันนี้มันต้องทิ้งสมาธิไม่ได้ต้องอยู่ที่สมาธิเพราะฉะนั้นนะ ในกระแสของฌานเนี่ยจะไม่อยู่เฉพาะในตัวของเราเองเท่านั้นกระแสของฌานเนี่ยมันจะออกออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปเขาเรียกว่ากระแสมันอาจจะไปเคลืบหนึ่งมันอาจจะไปแขนหนึ่งอย่างเนี้ย อ, อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> หรือว่าอาจจะไปมากกว่านั้นอย่างเท อหลวงพ่อตั้งแต่สมัยยังเป็นพระพรุหนุม่มก็ไปอยู่กับพระอาจารย์อย่างเงี้ยพอเวลาไปนั่งอยู่ก็ไมก็เย็นก็สบายเวลาอย่างหลวงพ่อไปบีบนวดหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยบีบไปมันก็ไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยเพราะว่ามันอยู่ในกระแสในกระแสชานเนี่ยเมื่อมันอยู่ในกระแสชานเนี่ย เราทำอะไรนี่มันจะด้วยความมั่นใจด้วยความเย็นด้วยความด้วยมันก็พิล็กอะ่ะอันนี้มันบอกไม่ถูกแต่พอเวลาพ้นจากกระแสนั้นมาแล้วก็เหนื่อยละเป็นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่คนบางคนอย่างนี้บอกแหมไปอยู่กับหลวงปู่ฟันนั่งใกล้ใกล้โอมันสบายมากมายอะเราจไปนั่งอยู่กใกล้กล้หลวงปู่เทศู่ในวัดของท่านมันอบอุ่นอย่างเนี้ย อย่างที่วันหนึง่งหลวงพ่อเคยเไปอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านย้ายไปอีกวัดหนึ่งท่านก็ไม่เอาเราไปเอ๊ะขนาดเราเป็นทอสอแล้วท่านไปเฉยๆอย่างนั้นก็ไม่บอกว่าแหวิทยังไปด้วยการหน้านะเกมไม่พูดสักคำเดียวอ้าวท่านทิ้งเราแล้วสิทีเนี้ย อพอเวลาท่านออกจากวัดนั่นไปแล้วเนี่ยเหลือเราพอเหลือเราเนี่ยเราจะมองเห็นใ้ต้นไม้เนี่ยเหมือนใบมันร่วงหมดมันเป็นอะไรเหี่ยวแห้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือพลังฌานพอเวลาท่านอยู่เนี่ยทําไมมันเย็นมันอบอุ่นพอเวลาท่านไปแล้วเหมือนใบไม้ร่วงเสียเราก็เสียใจเอ้ยทําไมมันแห้งแล้งอย่างเงี้ย ก็เลยไปถึงก็ไปกราบท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครับอออืผมอยากจะมาอยู่กับพระอาจารย์เหมือนเดิมแล้วเวลาพระอาจารย์มาทําไมไม่ใช้ใผมมาเอ้ยเอยจะไปใช้ยังไงก็แกมาลูกศิษย์อาจารย์กงมาว่าไม่ใช่ลูกศิษย์เรารอาจารย์กรงมาจะเอาลูกศิษย์เขาไปได้ยังไง เราก็เลยเคหัวตัวเองท่นนี่นี่อยากโง่นัดเมื่อนั้นอก็เลยตกลงผมขอมอบตัวเป็นลูศิษย์ท่านอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ้ามอบเฉลิมได้เมื่อไหร่ล่ะอาจารย์เรโยวเมพันเตว่าเซ่ว่าก็ไปนั่นเพราะฉะนั้นจึงจํามาจนบัดนี้ยงไง เ, เพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นลูกศิษย์ก็ต้องอาจารย์เรยวเมพันเตไม่งั้น เป็นรู้สึกกันไม่ได้ก็เลยต้องจำเอาตั้งแต่เวลานั้นเพราะฉะนั้นกระแสอจะต้องบอกว่ากระแสเนี่ยไ อ, อ้ที่ว่ากระแสของฌานเนี่ยมีอย่าง เ, เราจะต้องรู้ว่าทำไมกระแสถึงนมีเพราะเราไปอยู่ก็พูดที่มีฌานมันจะมีความเย็นทีนึ้อย่างนี้เป็นต้นยิ น, นี้ต่อไปก็ เราก็เอาถึงเรื่องจุดเสื่อมกันคือข้อที่ห้า <c oughs> ข้อที่ห้าคือเมื่อกล่าวถึงฌานก็ต้องเท้าความกลับไปยังพลังจิตหากผู้ได้ฌานไม่มีความรอบครอบตลอดถึงมีความรอบหลงในสิ่งต่างๆที่เข้ามายั่วยวนและหากเกิดความประมาท ไม่เอาใจใส่สมาธิของตนใช้ฌานไปเรื่อยๆฌานนี้จะมีการเสื่อมสภาพลงตามลำดับจะสังเกตการเสื่อมสภาพของฌานตรงที่เคยทำได้อย่างไรแล้วต่อมาทำอย่างนั้นอีกไม่ได้ตลอดถึงการลดระดับของกระแสฌานเคยมีความสว่างสวยของจิตก็เริ่มมืดมัวลง ความเห็นของจริงด้วยการสมมติและคาดคะเนเอาแสดงว่าได้เริ่มเสื่อมลงแล้วคือว่าเวลาที่เร า, เาทำให้จิตมันเกิดความสบายขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้มันจะไม่สบายเหมือนเก่าแล้วทีนี้อันนั้นคือว่าจุดเสื่อมอจุดเสื่อมของฌ า, อานอ่ะมันก็จะต้องทำอีกทำอีกมันก็จะต้องเกิดอีกอย่างนี้ทีนี้ ในเมื่อมันเกิดแสงสว่างขึ้นมันก็หายไปคือแสงสว่างในบังที่เราก็เกิดนะแต่มันเกิดพอแวบพอวับออย่างเงี้ยถ้าหากว่าเกิดจริงๆมันก็สว่างโร่ทั้งกลางวันกลางคืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าหากว่าไอสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็อยากได้ยางเก่าเราก็ไปนึกเอา ถ้าไปนึกเอาที่นี่มันไม่ใช่ของจริงแล้วมันเป็นการสมมุติเป็นต้นว่าจิตของเราเข้าไปถึงนี่จิตเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะมันนึกเอาพอมันนึกเอามันก็ไม่ใช่ของจริงเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงแต่ว่าบุคคลพวกนั้นก็คิดว่าอันนี้มันคือของจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือการ ไปรูปคล้ำสิ่งเท่ไม่ใช่ของจริงอ่ะไปคิดเอาเช่นอย่างเราไปจับคนคนหนึ่งอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นของจริงก็คือเนื้อหนังจับได้แต่ทีนี้ไปคิดเอาเนี่ยจับเหมือนกัน่ะมันไม่ใช่เนื้อหนังแต่มันเป็นความคิดมันก็ไม่ใช่ของจริงอย่างเนี้ยไอชานเนี่ยพอเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีตัวเตนจริงๆอ่ะ มันเลือกพอเราเห็นจริงขึ้นมาอย่างเนี้ยแต่พอที่หลังพอมันเสื่อมแล้วมันก็คิดเอาอะแสงสว่างมันเป็นอย่างนี้โอ้แสงสว่างเกิดขึ้นอีกแล้วแต่คิดเอาอันนี้อันนี้ต้องต้องอย่าไปเชื่อต้องอย่าไปยอมรับว่าไอ้สิ่งที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของจริงอันนี้คือตัวการที่จะทําให้ฌานมันเสื่อมไปแล้วก็ไอ้ความรอบ ความหลงสิ่งที่เข้ามายั่วยวนแล้วเกิดความประมาทคือว่านั่งแป๊บก็ว่าชานเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอคือความประมาท แ, แล้ ว, วลก็สิ่งเข้ามายั่วยวนให้เราเนี่ยอหลงและเริงไปตามเรื่องยศบ้างลาบบ้างไม่รู้ว่าอะไรก็สารพัดอ่ะที่มันจะมีขึ้นมาออันนี้เป็นทางทางหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันอที่โมโห็ต้องระวังด้วยแ ใครมโหเก่งต้องระวังน ะ, ะเคาเรียกว่านี่หลวงพ่อก็เลยไม่ได้เขียนใส่ลงไปในะนี่เอาแต่ความโลภความหลงความโกรธไม่ได้ใส่ลงไปแสดงว่าแสดงว่ายังสงสารลูกศิษย์อยูอ่เพราะว่าลูกศิษย์บางคนก็โกรธเก่งอย่างเนี้ยก็เลยตัวโกรธมันก็เลยหายไปที่จริงมันต้องใส่ลงไปนะตัวโกรธเนี่ยมีความโลภความหลงมันหายตัวโกรธไปได้ยังไง ไอ้โกรธเนี่ยพอเวลาที่ใครมาแตะหน่อยนะแน่นั่นแหละเอาแล้วทีนี้เราไปถึงข้อหกก็ความขวายคว้าในฌานจะมีกิริยาจิตชนิดหนึ่งที่บุคคลผู้มีฌานจะเกิดขึ้นคือหลักการของการกระทำให้เกิดเช่น การเกิดความสบายขึ้นนั้นจิตเป็นฌานจะบังเกิดความต่อเนื่องเพราะความมีพลังจิตจิตในฌานนั้นจะข่อยคว้าในตัวของมันเองโดยการดำเนินไปแบบต่อเนื่องทำให้เกิดความละเอียดอ่อนตั้งแต่ต้นจนกระทึงถึงความลึกซึ้งสำหรับความข่อยคว้าของฌานอีกชนิดหนึ่งคือต้องการจะให้เกิดความยิ่งใหญ่หรือทะเยอทะยาน อาการเช่นนี้เป็นทางผิดนําไปสู่ความล้มเหลวนคื อ, อการขวายคว้าเนี่ยเราต้องถือว่ามีมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียวกว่าความขวายคว้าเนี่ยมันจะมีคือเวลาที่จิตของเรานี่สงบมากๆดีแล้วเนี่ย มันก็จะพยายามในจิตที่มันมันจะเกิดการกระตุ้นตัวมันเองให้เกิดคิดว่าในสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทําต่อไปอันนี้คือสิ่งเรียกว่าขวยคว้าอ่สิ่งขวยคว้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสมมุติอะไรก็สมมติความขวยคว้าไว้ก่อน <c oughs> อาจจะเป็นเอ่อข้อที่มีความเอ่อกระตือรือร้อนเหมือนคนอยากเหมือนคนทํางานที่ได้ผลอย่างเนี้ย ได้ผลแล้วมันจะหยุดไม่ได้หรอกอาจจะไม่ต้องกินต้องนอนก็ได้ขอให้มันได้ไอ้ความกระตุ้นตัวนี้เราให้ชื่อว่าเป็นความไขวข้ค้ามันจะเกิดขึ้นมาเองในเวลาที่มันเกิดผลขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไอ้ความไขวข้คว้านี่กลายเป็นความทะเยอทยานอยากจะให้มันดีกว่าคนอื่นหรือว่าอยากจะให้ จะได้รับการยกย่องสรรเสริญอันนี้อันนี้ผิดแล้วเริ่มผิดแล้วเพราะฉะนั้นการข่อยคว้าเ น, นี้มันจะต้องข่อยคว้าเพื่อให้มันเกิดความอกระตุ้นในใจของตนเองโดยความมีสติ <c oughs> ออทีนี้มาถึงอข้อที่เจ็ดการคาดคะเนสืบเนื่องมาจากข้อที่หก เมื่อเกิดการทะเยอทะยานถือว่ากำลังตกอยู่ในกิเลสตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําให้เกิดความไม่ใช่ของจริงทั้งที่แต่ก่อนก็เคยทําได้จริงได้แต่เพราะกิเลสตัณหาด้วยความอยากใหญ่จึงทําให้มีความเสื่อมตามมาเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เคยเป็นของจริงก็กลายเป็นของปลอมดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าคาดคะเน ต้องมีการทำสมาธิให้มีพลังเพิ่มขึ้นต่อไปอันนี้ก็คงจะต่อมาจากข้อที่หกมาแล้วคือหมายความว่าเราอยากจะ เ, ะเหมือนกับพระที่ไปนั่งพอรถไฟมาแล้วก็ จ, จัดแจงนั่งเพื่อให้คนเห็นอพอรถไฟไปแล้วก็เลิอกอย่างนี้อันนั้นคือความเท่ทะเยอทะยานด้วยกิเลสตัณหา เกตันหานะั้นหมายถึงว่าอยากจะเข้ามานับถือเราเยอะๆแล้วก็อยากจะเราอยากจะมีเื่อเสียงหลงดังเราจะอยากเป็นใหญ่เป็นอะไรอย่างนี้กัสารพัดอันนี้เขาเรียกว่าเกเรตันหาอันนี้เป็นทางหนึ่งที่เจะทําให้เราเนี่ยใช้ความคาดคะเน A ที่เกิดขึ้นในเมื่อเวลามันจิตมันสงบขึ้นมาแล้วก็ใช้การขาดคะเน A. พอคาดคะเน A แล้วมันก็เป็นการเดา เราแลกเทนี้มันก็เลยได้แต่ของปลอมไม่ได้ของจริงอันนี้อธิบายข้อเจ็ดเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต่อไปก็คงเป็นข้อสุดท้ายข้อแปดในการแก้ไขฌานนั่นจะมีประตูทางออกของตัวมันเองประตูทางออกหมายถึงหนทางแก้ไขที่ไม่เป็นทางตันเมื่อเกิดการผิดพลาดเกิดความคาดคะเนหรือเกิดความเสียประโยชน์นี้จะมีสัญญาณ ให้แก่จิตของผู้ได้ฌานว่ามีอันตรายแล้วเพระผู้ที่มีฌานเนี่ยเขาจะมีสติอันนึง่อมีสติอันนึงเป็นคนคอยเตือนว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกนะแกจะไปอวดดีอวดดีจะไปออแสดงหรือจะไปอะไรอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะสะติเตือนแต่ไม่ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังคําเตือนของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตนั่นน่ะก็เป็นอหมายความว่าเป็นพี่พี่เมียเนี่ยเขาเรียกว่าอาหรือเป็นเออเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่าก็ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอมาทําสมาธิกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฌานเพะได้อะไรได้สามารถที่จะทำฤทธิ์อะไรต่างๆได้ จนกระทั่งไปทําฤทธิ์ให้พระเจ้าแผ่นดินเชื่อวอาชาติศัตรูอาชาติศัตรูก็เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพระเทพอุปถากพระพุทธเจ้าอืมเมื่อเอไปทําปาฏิหารให้พระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เชื่อค้นห อ, อกมาจะไม่เชื่อได้ยังไงมันต้องเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็บอกว่า แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซะข่าพ่อซะจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่คือแนะนําข้อแรกเอก็ข้าพ่อคือข้าพระเจ้าพิมพิสารสําเร็จก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จัดแจงจะฆ่าพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่างๆเนี่ยมีกิเกเรตัญหาเกิดขึ้นนี่คือฌานมีสติเหมือนกันแล้วจะเตือนเหมือนกันแต่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่ออยากเป็นพระเจ้าแทนแต่เนี่ย ในที่สุดพอตอนสุดท้ายเมื่อข่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็จะไปขอกับมาพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่ามีสติเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ากรรมมันหนักเกินไปเช่นการไ้ทำกิ่งหินมาใส่พระพุทธเจ้าให้ทับพระพุทธเจ้าให้ตายแต่ว่าก็ไม่ถูกทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจะไม่บาดเจ็บเลยพระเทวทัตจะเสียใจตาย พระเจ้าก็เลยเหยียดพระบาทก็หมายความว่าเหยียดเท้าออกไปให้กระทบหินจนเราิตห่ออย่างเงี้ยก็เป็นอนันตริยกรรมถึงอย่างนั้นพระเทวทัตก็มีสติว่าจะต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าแต่ไปไหว้ไม่ทันไหว้แผดดินก็สูกมาไปซะก่อนถึงอย่างไรก็ตามพระเทวทัตก็จะต้องกลับมาเป็นพระปัจเจกพ่พระพุทธเจ้าเหมือนกันในอนาคตเป็นอย่างนั้น อันนี้คือทางออกทางออกของฌานหรือเหมือนกันกันกบเทศมานท์เทศเหาะได้เป็นฤกธิ์ย์ของพระมหาทศกปปะแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงกิเลสเกิดฌานหายไปแล้วแต่เชื่อยังอยู่บอกแล้วบอกว่าไอ้ความเข้มข้นของฌานน่ะเชื่อยังอยู่เพราะฉะนั้นพระมหาทกัปปะตอนที่ถูกจับไปประหารชีวิตก็บอกว่าจุดแท้เนีย่ยแหลม มานอบก็จุดเชื่อตอนนั้นหอกหนีเข้าประหารไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอถ้าหากว่าเมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องอเชื่อเชื่อคือว่ามีสติมีสติแล้วก็จุดฌานนั้นเกิดขึ้นมาได้ผนทางแก้ไขมีเมื่อฌานมันเ <c oughs> ลิกลงไปมากๆอย่างหลวงพ่อบอกว่า นี่อย่าไปคาดให้มันเลิกกินไปหน้าจะเพิ่มข้าวทําให้มันสมาธิให้มามากก่อนก่อนจะเข้าจิตอย่างนี้เป็นตน้นคือหมายความว่าหลวงพ่อก็เตือนไม่ให้คนเข้าฌานมากนักอย่างเนี้ยเพื่อให้พลังจิตนี้มีมากก่อนอย่างนี้เป็นตน้นเอาถึงอย่างไงมันก็คงไม่ไม่แจ้งข่าวนักแต่ก็คงพอเป็นแนวทางได้ก็คงจะมีการอธิบายต่อไป วันนี้อธิบายกันซะไม่ต้อง เ, อเรื่องอืน่นยกเลิกเครื่องเลยทีเดียวเสร็จหมดเวลาเลยแ <c oughs> หวดหายเลย เ, เป็นวัดฉันพาราเซตัมมอนซะแล้วหายไปเลยก็ถือว่ า, าปัญหาวันนี้ยกเลิกถามตอบก็หยุดเพียงเท่านี้สวดก็ไม่สวดเพราะเลขานีไปแล้ว <c oughs> ก็เป็นอันว่ า, าจบเพียงแค่นี้